บทที่42วีตโสกเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเมื่อครบเจ็ดวันแล้วพระเจ้าอาโศกรับสั่งให้นำพระอนุชาเข้าเฝ้าเจ้าชายน้อยมีพระพักเศร้าสลดอยู่ตลอดเวลาทรงคำนึงว่าวันนี้แล้วเป็นวันสิ้นสุด แห่งชีวิตนึกถึงภาพที่เพชฌฆาตลงดาบให้รู้สึกเสียวาบที่พระสอและทรงสะดุ้งอยู่เนืองเนืองจนพระเชษฐาดาทรงสงสารอย่างยิ่งวีตโศกมีความสุขมากไหมในรัชสมัยเจ็ดวันนะ่ะพระราชาตรัสถามไม่เลยเจ้าพี่เจ้าชายน้อยทูลตอบ รักกระแสเสียงละห้อยมีแต่ความทุกข์ทรมานอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะพี่นวังว่าน้องจะมีความสุขมากทำไมน้องจึงไม่มีความสุขเพราะนึกถึงความตายอยู่ทุกวันทุกวันพอตกเย็นเพชฌฆาตก็ไปเตือนทุกวันเหลืออีกหกวันแล้วเหลืออีกห้าวันแล้วเหลืออีกสี่วัน ทำนองนี้แหละแม้จะมีอุปกรณ์แห่งความสุขมากกว่านี้น้องก็ไม่อาจเสวยความสุขได้พระเจ้าอาโศกทรงพระสวนเบาๆและตรัสว่าวีตโสกน้องประจักษ์ด้วยตัวน้องเองแล้วว่าการระลึกถึงความตายอยู่เนืองๆนิดนั้นเป็นการทำลายความเมาในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐพะ สิ่งอันพึงถูกต้องได้ด้วยกายแม้จะมีอารมณ์อันยั่วยวนให้เมาเช่นที่พี่มอบให้น้องแต่น้องก็ไม่มีความรู้สึกยินดีพอใจต่อสิ่งนั้นยิ่งกว่านั้นเจ้าทายวิตโสกทูลหมอมชั้นเหมือนไม่เห็นอะไรไม่ยินดีเสียงอันไพเราะใดๆไม่ได้ฟังการขับร้อง ไม่ได้เห็นระบำรำไร้ของเหล่าสตรีไม่ได้รู้รสของความรื่นรมเลยทองคําและเพชรพลอยและวัตถอุอื่นๆอันวิจิตรหม่อมฉันแตะต้องมันอย่างไม่รู้สึกตัวเหล่านางบําเรอไม่มีอํานาจยั่วยวนบุรุษผู้ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วสตรีระบําเพลงพระราชฐานซึ่งพร้อมด้วยเตียงต่าง ทรัพ ส, สมบัติความนุ่มความสวยงามและสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ก็ดีแม้พื้นโลกพร้อมด้วยขุมทรัพย์นาน า, นาก็เป็นของว่างเปล่าไม่น่าเบิกบานแกหม่อมชั้นตลอดกาลที่ยังแลเห็นเพชคาตผู้สวมเครื่องแต่งกายสีน้ำเงินนั้นกุมอยู่ที่ประตูโอ้ระชาทิราชขณะใดเสียงระฆังแห่งเพชฌฆาตดังขึ้น ขนาดนั้นความเกรงกลัวต่อมรณะภัยก็ครอบงำหม่อมชั้นอย่างไม่เคยพบมาก่อนเลยเพราะภัยคุกคามทํานองนี้เองหม่อมชั้นจึงไม่ได้ยินเสียงอันภายร้อไม่เห็นการฟ้อนไม่รู้สึกเสียบแทงแห่งความหิวหม่อมชั้นไม่ได้นอนหลับเวลาล่วงไปหมดไปด้วยการรำพึงถึงความตายแน่ใจว่าตนต้องเป็นเหยื่อแห่งมัจจุราชความตายช่างน่ากลัว หน้าประวัตพลั้นพรึงอะไรเช่นนั้นมันเป็นม่านดําที่คอยเปิดจากชีวิตที่น่ากลัวหาอะไรปานได้ยากความตายจางเป็นสิ่งทารุณต่อจิตใจของคนที่ยังไม่อยากตายเส้นนีการายวีตโศกพระราชาตรัสน้องเองยังเป็นถึงเพียงนี้ก็ภิกษุสัมมเนนนั้นได้รับการอบรมจากพระผู้มีพระภาคให้ระลึกถึงความตายอยู่ทุกวัน และทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเป็นดังนี้ท่านจะเพลิดเพลินหลงไหลในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรท่านมีอารมณ์ยั่วยวนน้อยกว่าที่พี่ได้มอบให้น้องอาหารต่างๆท่านก็คบฉันเท่าที่ชาวบ้านศรัทธาถวายเจนาสนะที่อยู่อาศัยก็เพียงพอกันแดดกันฝนที่นั่งที่นอนเล่าก็ห้ามยัดด้วยนุ่นและสำลี น้องเคยพูดด้วยเสียงอันดังไม่ใช่หรือว่าภิกษุนมและสามเณรผู้บริโภคเนยนมและมังสาหานจะพึงบังคับตนนี้ให้ราคะกำเริบได้อย่างไรก็พระสงค์นั้นคำหนึ่งถึงมรณะภัยอยู่เสมอเกรงต่อภัยในวัฏฏะวันต่อการเกิดอีกสะดุ้งต่อภัยต่างๆอันหน้าวาดเสียวซึ่งคอยอยู่ในภพนั้นๆเช่น ในนรกมีการทรมานต่างๆเช่นทรมานด้วยไฟด้วยเหลาเหล็กเป็นต้นในกําเนิดเดรัจฉานก็มีความสะดุ้งที่จะถูกสัตว์ที่ใหญ่กว่ารังแกและจับกินเป็นอาหารถูกมนุษย์จับมาทำงานลากแอกลากไถประสบภาวะอดอยากไร้อิสระเซรี แม้ต้องการสิ่งใดก็มิอาจพูดแสดงความประสงค์ของตนได้ถูกมนุษย์เกณฑ์ให้รับผิดชอบแม้ในสิ่งที่ตนไม่ประสีประสาและถูกทำโทษโดยที่ตนไม่รู้เหมือนกันว่าได้ทำผิดอะไรเหล่านี้เป็นต้น ในหมูเปรตเล่าก็ถูกทรมานด้วยความหิวและความกระหายในหมูมนุษย์เล่าก็มีความร้อนใจถึงความทุกข์ยากลําบากกายลําบากใจมีความทุกข์อันเนื่องด้วยการแสวงหาอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยาแก้โรคต้องทนเหน็ดเหนื่อยเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อบุตรภรรยาหรือสามี ต้องทนทุกทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บนานาประการต้องต่อสู้กับค่าศึกแห่งชีวิตมิใช่น้อยต้องเผชิญหน้ากับความแออัดก่อความลำบากแก่สังขารอย่างสุดที่จะหลีกเลี่ยงได้ต้องทนต่อความผิดหวังและชอกช้ำต้องทนต่อการถูกจับคุมขังแม้ในหมู่เทวดาจะเสวยความสุขเพียงใดก็มีการสิ้นสุด และต้องเวียนเกิดเวียนตายคติไม่มีอะไรแน่นอนเลยเมื่อหมดแรงบุญส่งก็ต้องมาเวียนเกิดในกำเนิดต่างๆอีกเช่นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานหรืออาจจะลงนรกก็ได้การเวียนไหยตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังมีอะไรในกามในพบนั้นหาความสิ้นสุดมิได้พระสงค์ทั้งหลายมองเห็นความเกิดในภกต่างๆ ว่าเป็นภัยน่ากลัวรู้สึกตอบพบทั้งสามว่าเหมือนไฟไหม้อยู่ทั่วจึงไม่พอใจที่จะอยู่ในพบใดพบหนึ่งเมื่อเป็นดังนี้เหตุ <c oughs> ลายเล่าสมณะเหล่านั้นจะพึงกำนัดยินดีในรัชนียารมณ์ทั้งหลายอันเป็นที่ใคร่ที่พอใจของมวลโลกีชนทั้งปวงวีตโสกความกลัวต่อมัจจุราช ที่จะฆ่าชีวิตเธอเพียงครั้งเดียวยังทำให้เธอหมดความพอใจในสิ่งอันควรรื่นเริงบันเทิงจิตเมื่อเป็นดังนี้ความรื่นเริงเยี่ยงนั้นจะมีในใจของพระสงฆ์ได้อย่างไรเพราะท่านหวาดต่อมรณะภยัยและกลัวต่อความเกิดในภพต่างๆอยู่เสมออารมณ์ทั้งหลายอันก่อให้เกิดความกำหนัดพอใจนั้นเสมือนศัตรูที่ทาร้ายคนอยู่ตลอดเวลา วีตโสกเออยคนส่วนใหญ่ที่เป็นเช่นเธอนี้แหละชอบเอาความรู้สึกของตัวไปวัดระดับจิตของผู้อื่นสิ่งใดตนทำไม่ได้ผลวิสัยแห่งตนก็เหมาเอาว่าคนอื่นจะทำไม่ได้ด้วยสิ่งใดที่ตนใคร่ปรารถนาก็เข้าใจว่าคนอื่นจะต้องใคร่ด้วยมีอยู่เหมือนกันที่คนปรารถนาใคร่ตรงกัน เช่นปรารถนาความสุขรังเกียจความทุกข์แต่มูลเหตุให้เกิดความสุขนั่นแหละต่างกันทั้งคุณภาพและปริมาณบางคนยึดมั่นว่าเว้นกรรมเสียแล้วก็จะไม่มีความสุขอื่นอีกแต่บางคนเห็นกรมรมณมเป็นสิ่งพึงรังเกียจเพราะระดับจิตใจของเขาได้พ้นจากการแสวงหาความสุขทางกรมรมลมเสียแล้วไปแสวงหาความสุขจากความสงบ อันเป็นความสุขที่ประณีตกว่าเย็นใจกว่าอย่างนี้เป็นต้นพวกเราได้ชื่อว่าผู้มีการศึกษาจึงควรทำใจให้กว้างเปิดหัวใจให้พร้อมที่จะรับรู้สิ่งอื่นเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากที่เรายึดมั่นอยู่ว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน ไม่ใช่หลับหูหลับตาเชื่อมั่นอยู่แต่สิ่งที่ตนศรัทธาเพียงประการเดียวโดยเฉพาะความเห็นแก่ตัวของคนเรานั้นมักเอียงไปในทางเห็นแก่ตัวและความชอบไม่ชอบของตัวแล้วก็นาเอาความเห็นส่วนตัวนั่นแหละไปตัดสินความจริงความเท็จทั้งโลกมันมิใช่ความรู้อันเกิดจากญาณแต่ประการใดเลย แต่มันเป็นเพียงความรู้ที่เกิดขึ้นตามธรรมดาของคนที่เห็นแก่ตัวมุ่งมองแต่ความปรารถนาและผลประโยชน์ของตัวจงมองโลกและทัศนะชีวิตให้กว้างสิ่งทั้งหลายมักมีประโยชน์ในแง่ใดแง่นงหนึ่งนอกจากคนจะหาแง่มุมนั้นไม่พบจึงกล่าวว่าไร้ประโยชน์บางอย่างแม้มองไม่เห็นประโยชน์ทางวัตถุ แต่มีผลทางด้านจิตใจมีอิทธิพลต่อความรู้สึกคนโบราณจึงพิทักษรักษาสิ่งนั้นไว้คนหนุ่มมักมองอะไรในแง่เดียวเมื่อไม่เห็นประโยชน์ในแง่ที่ตนมองก็ปฏิเสธสิ่งนั้นอย่างไรเราก็เป็นคนพิเศษตามที่ประชาชนยกย่องแล้วขอให้เธอเป็นคนหนุ่มพิเศษอีกสักคนหนึ่งเธอ คือแทนที่จะมองอะไรด้านเดียวแบบคนหนุ่มส่วนมากขอให้เธอมองอะไรอะไรอย่างกว้างขวางรอบครอบก็จะมองเห็นอะไรอะไรตามความเป็นจริงข้อนี้แหละจะทำให้พระมารดามีความสุขอย่างยิ่งพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งเหตุผล ทนต่อการพิสูจน์เหมือนทองแท้ยิ่งพิสูจน์ก็ยิ่งเห็นความเป็นทองมากขึ้นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาก็เคยทรงเป็นกษัตริย์อย่างพวกเราเคยเปี่ยมล้นด้วยความสุขในโลกียรม์เช่นพวกเราหากไม่มองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่สูงกว่าประณีตกว่าความสุขชนิดนี้แล้วฉะไหนพระองค์จะทรงสละรัชสมบัติ สเสด็จมาอยู่กลางดินเช่นโคนไม้และท้องถ้ำจริงอยู่ในบางครั้งพระองค์อยู่บนโลหะประสาทมีเครื่องอำนวยความสะดวกนานาประการแต่พระองค์ได้ประจักษ์และทรงสอนไว้ว่าอารมณ์อันวิจิตรการตาในโลกนี้มิใช่กามแต่ความกาหนัดพอใจอันเกิดจากความดำรินั่นตัางหากกล่าวเป็นกามของตน เมื่อถอนความพอใจในสิ่งนั้นเสียได้แล้วอารมณ์อันวิจิตรการตาก็คงอยู่อย่างเกอร์ทำอะไรไม่ได้แก่บุคคลชนิดนั้นอีกต่อไปตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดในข้อนี้คือเรื่องของเธอเองพี่ได้มอบสตรีอันสรรแล้วว่าสวยงามให้เธอให้เลือกนักดนตรีฝีมือเยี่ยมบรรเลงเพลงที่ล้วนแต่ไพเราะ ได้ให้จัดสรรอาหารรสเลิศต่างๆให้เธอและภาชนะอันวิจิตเพลิดเพลายทำด้วยเงินและทองแต่เมื่อจิตใจของเธอละลึกถึงแต่ความตายไม่ดำริถึงอารมณ์เหล่านั้นมันก็ไม่มีอิทธิพลครอบงมจิตใจของเธอเลยเพราะฉะนั้นเธออย่าตัดสินว่าเมื่อมีกิริยาทำนองเดียวกันแล้วจะมีกิริยาอย่างเดียวกันเสมอไป เปล่าดอกวิตโสะพี่ไม่เคยคิดจะประหารชีวิตเธอแต่พี่ทําดังนั้นเพื่อให้เธอได้ประจักษ์ด้วยตนเองว่าเรื่องที่ควรจะเป็นประการใดและบัดนี้เธอได้รู้แล้วรู้ได้ตนเองความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์นั้นประทับใจยิ่งนักเมื่อทราบว่าพระเจ้าอโศกไม่ปรงพระชนเจ้าชายวิตโสะ ก, ก็ทรงปลื้มพระทัยอย่างใหญ่หลวง ชีวิตลาบเป็นสิ่งประเสริฐและมีค่าสูงยิ่งสำหรับมนุษย์อื่นๆชั้นใดเจ้าชายวีตาโศ ก, ก็ฉันนั้นบัดนี้พระองค์ได้ทรงมองเห็นเหตุผลบ้างแล้วรู้สึกเศร้าพระทัยต่อมิจฉาทิฐิของพระองค์เองและอาการที่เคยทรงแสดงอย่างดูหมิ่นต่อภิกษุสงฆ์เจ้าชายน้อยทรงประนมพระหัตถ์ถวายบังคมพระราชาธิบดีแล้วทูลว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดผู้มีพระเนตรคือดวงปัญญาอันสว่างสวัยผู้บริสุทธิ์หาผู้เสมอเหมือนมิได้ผู้มีพระกรุณาอันไพศาลดุจห่วงมหันนบผู้เป็นที่เคารพสักการะของเทพมุนีและมนุษย์ทั้งหลายข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตพระธรรมใด อันพระผู้มีพระภาคตรัสรู้และตรัสสอนไว้ดีแล้วเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ได้จริงมีผลอันอัศจรรย์จริงข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมนั้นว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตพระสงฆ์ใดผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อธรรมปฏิบัติชอบ เป็นบุญญเขตอันเยี่ยมของโลกเป็นผู้ชักนำประชาชนออกจากที่มืดเข้าสู่แสงสว่างในรัศมีแห่งธรรมข้าพเจ้าขอถึงพระสมนั้นว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตเมื่อได้สดับพระวาจาแห่งพระอนุชา ด, ดังนี้พระเจ้าอาโศกมิอาจอดกลั้นพระอสุชนได้เป็นอสุชนที่ล้นหลังออกมาเพราะปราโมท พระองค์ได้สวมกอดพระอนุชาแล้วตรัสว่าวีตโสกปลื้มใจเหลือเกินปลื้มใจจนไม่อาจจะกลั่นอสุชนไว้ได้ผู้ที่ทราบข่าวนี้แล้วจะปลื้มใจไม่แม้พี่คือพระมานดาท่านพยายามมากแล้วที่จะให้เธอนับถือพระพุทธศาสนาเมื่อความประสงค์ของท่านสำเร็จลงโดยไม่ได้นึกว่าจะรวดเร็วอย่างนี้ ท่านจะต้องปลื้มพระไทยอย่างไม่มีอะไรเปรียบปานตั้งแต่บัดนั้นมาเจ้าชายวีตาโซก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพระองค์เสด็จนมัสการเจดีย์สถานอันเป็นอนุสรณ์แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ามันเข้าหาสมณะผู้มีศีลสนธนาธรรมและสดับพระธรรมเทศนาตามการวันหนึ่งเจ้าชายได้เข้าไปนมัสการพระมหาสังขรขีด นะอโศกา ร, รามน้มสการแล้วเมื่อสารานิยกถาสัมโมทนิยกถาล่วงไปแล้วจึงน้มสการถามว่ า, าพระคุณเจ้าบุคคลอย่างไรชื่อว่าชีวิตไม่ว่างเปล่าเกิดมามีชีวิตคุ้มค่าไม่ขาดทุนขอถวายพระพร พระเถระตอบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าความดีเป็นสาระของชีวิตบุคคลที่ไร้ความดีเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าเกิดมาไม่คุ้มค่าเป็นชีวิตที่ขาดทนโดยสิ้นเชิงพระคุณเจ้าทำอย่างไรชีวิตจะมีความดีพระเถระทูลตอบว่าความดีนั้นมีหลายระดับ การที่จะทำความดีจึงต้องมีหลักสำหรับดำเนินมิฉะนั้นแล้วจะไม่รู้ว่าควรดำเนินการอย่างไรจึงจะบรรลุถึงความดีเช่นนั้นอาตมาภาพขอยกตัวอย่างเช่นบุคคลต้องการบรรลุถึงประโยชน์ปัจจุบันอันเป็นความดีประการหนึ่งเพื่อบรรลุประโยชน์อันเป็นทิฏฐธรรมิกะนั้น พระผู้มีพระภาคทรงสอนให้ดำรงอยู่ในธรรมสประการคือ 1. อุทธา ا สัมปทาให้มีความหมั่นขยันในการศึกษาเล่าเรียนในการทำงานอันปราศจากโทษในการประกอบคุณงามความดีในชีวิตวัยต้นสิ่งที่บุคคลพึงทมคือการศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้เท่าที่โอกาสจะอํานวย เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพในวัยกลางให้หมั่นขยันประกอบอาชีพในทางสุจริตให้มีความบากบัน่นพยายามโดยสม่ำเสมอไม่จับจับวางวางส่วนวัยปลายควรหนักไปในทางบุญกุศลอันจะเป็นสเสบียงเลี้ยงตนไปในอนาคตแต่ไม่ได้หมายความว่าบุญกุศลนั้นต้องคอยให้ถึงวัยปลายเสียก่อนแล้วจึงค่อยทา โดยที่แท้ควรทำทุกวยัยเพราะบุญกุศลมีส่วนช่วยให้สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาเมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนได้ประกอบการงานได้ประกอบคุณงามความดีแล้วก็ควรมีคุณธรรมต่อไปคือ 1. อรักษคสัมปาัาให้พยายามรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้โดยชอบธรรมนั้นคงไว้และให้เจริญเพิ่มพูนขึ้น เพื่อให้การรักษาทรัพย์นั้นเป็นไปโดยสม่ำเสมอพึงเว้นอบายมุกหกคือนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรนักเที่ยวกลางคืนเกียรติคร้านการทำการงานในประการสุดท้ายคือเกียรติคร้านการทำงานนั้นจะทำให้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่แล้วหมดสิ้นไปสมบัติใหม่ก็ไม่เกิดขึ้น ส่วนห้าข้อข้างต้นเป็นเรื่องผลานทรัพย์สินโดยไร้ประโยชน์นอกจากนี้พึงประกอบด้วยคุณสมบัติสประการคือของอะไรหายก็พยายามแสวงหาอย่าปล่อยปละละเลยหายแล้วก็แล้วไปพยายามซ่อมแซมของที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ต่อไปรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยให้คนดีเป็นแม่บ้านพ่อเรือน 3. ากระยาณมิตรตาการครบคนดีเป็นมิตรคนที่ตั้งเนื้อตั้งตัวต้องพยายามคบคนดีเข้าไว้เพื่อจะได้มีกำลังใจในการทําความดีไม่ชวนกันเหลวไหลทำชีวิตให้ไร้สาระคนดีนั้นประกอบด้วยธรรมของคนดีคือรู้จักเหตุสาวผลไปหาเหตุรู้จักผล ได้เหตุแล้วเล็งถึงผลรู้จักตนว่าอยู่ในฐานะอย่างไรควรทําอย่างไรรู้จักประมาณตนในการบริโภคใช้สอยรู้จักการควรทําอะไรในการเช่นไรรู้จักประชุมชนสังคมว่าสังคมไหนควรเข้าไปด้วยอาการอย่างไรรู้จักเลือกคบคนว่าคนไหนควรครบได้แค่ไหนเพียงใด นอกจากนี้คนดีต้องมีกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตประกอบด้วยลักษณะแห่งบัณฑิตคือพูดดีคิดดีทำดีสี่สมารชีวิตตาเลี้ยงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนยากจนก็ควรอยู่อย่างสงเียมเจียมตัวไม่ควรฟุ้มเฟอ้อให้เกินฐานะตนเรื่องทํานองนี้จะเอาอย่างคนอื่นไม่ได้ อันหนึ่งเมื่อฐานะเปลี่ยนแปลงไปการจับใจ่ายใช้สอยก็ควรจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเป็นคนลอยได้ลดได้ทำตนเหมือนเรือลอยในน้ำเมื่อน้ำขึ้นก็ขึ้นตามน้ำเมื่อน้ำลงก็ลงตามเรือจึงลอยอยู่ได้เหนือน้ำตลอดเวลาบางคนลอยได้แต่ลดไม่ได้อย่างนี้พอถึงคราววิบัติจะล่มจม